ไม่พอปัจจุบันอย่างเดียวไม่พอที่ปัจจุบันไม่พออย่างเดียวต้องการจะเสริมปิดประตูให้ตายไปเลยนี่นะหมายความว่าจะได้ไม่ต้องมาเปิดหมามาพูดกันดีกันนะก็คือว่าปฏิจจสมบัติท่านจัดไว้เป็นสางการอาวิชาสังขารเป็นอตีดาอาฏฐะใช่ไหมวิญญาณนาำรวบสลายญาตนาภาสาเวทนาตัณหาประธานภาวะใช่ไหม